ปกติจิตเป็นสิ่งที่เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วสภาพทั้งหลายเขาเป็นอนิจนาานนจังทุกขังอนตตาตกในกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนตตาด้วยกันทั้งนั้นไม่มีเว้นแม่นิดหนึ่งแต่จิตนี้ธรรมชาติของจิตทแท้ๆนั้นไม่ได้เป็ น, นอยู่ในกฎนี้เท่าที่จิตได้เป็นไปตามกฎของอนิจจังทุกขังอนาตาก็เพราะสิ่งที่เป็นไตรลักษ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 ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับส่วนร่างกายนี้มีอะไรที่เป็นของสะอาดแม้แต่ของสะอาดนํามานุ่งมาหม่มมันยังต้องสกรปรกจะต้องไปชาบไปล้างซักฟอกยุ่งไปหมดที่บ้านที่เรืองเหมือนกันต้องเช็ต้องถูปัดกวาดมนุษย์ไปอยู่ที่ไหนต้องทําความสะอาดเพราะมนุษย์สกปรกเข า, พ, า พ, พิจารณาอย่างนี้แล้วในตัวของเราสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเรามันก็สกปรกแม้แต่าอาหารหวานท้าวสิ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 กระดูกขิ้นนั้นท่อนนั้นดูให้ดีว่ากระดูกที่จริงๆเหลือเป็นทุกกาหนดดูเป็นเหมือนกับว่าเป็นข้อสังเกตถ้าว่ากระดูกที่เป็นทุกจริงๆแล้วเวลาทุกดับไปทําไมกระดูกไม่ดับไปด้วยนะถ้ามันเป็นกันเป็นอันเดียวันจริงเมื่อทุกดับไปกระดูกที่ต้องดับไปด้วยไม่ควรจะยังเหลืออยู่แต่นี่เวลาโรคภยัยไข้เจ็บหายไ ป, ห, ยไปหรือเวลาเราลุกจากที่นั่งภาวนาเพราะเกิดความเจ็บปวดมากนี้หายไป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 หมดตัวเข้ามาเพราะความเห็นจริงในสิ่งนั้นแล้วจริงก็ย่อมเด่นาห า, ากว่าเวทนาจะกล้าสหัสก็สลายลงไปด้วยการพิจารณาเห็นประจักษ์จิตเราก็ปิดแล้วด้วยความจริงถ้าไม่ดับก็ต่างอันต่างจริงเราก็มีความสงาา่าผาเผยอาจถามอยู่ภายในจิตไม่ใช่ทกสะทานถึงเวลาจะแตกก็แตกไปเถอะ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 เกิดความแปลกประหลาดเกิดความระจแย้งดูเหมือนว่าสง่าผ่าเผยเต็มที่จะไม่สงาา่าผ่าเผยยังไงก็ราชาแห่งวัตจักรผู้นี้แหละเป็นผู้มีอำนาจเหนือจิตหรือครอบจิตอยู่ในขนาดที่จิตไม่มีสติปัญญาจึงบังคับถูถายจิตให้ไปเกิดในที่ต่งตางๆโดยไม่มีกำหนดกฎเกณ์แล้วแต่อำนาจแห่งกรรมที่ตนสร้างไวมากน้อย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 ท่านเพียงว่าท่านแยกว่านิพพานหนึ่งคำว่าอร Hathapun ก็หนึ่งละท่านสําเร็จอรห Hathapun คาว่านิพพานหนึ่งก็พวกก็พูดกันได้แต่เมื่อจะแยกให้เป็นสมมุติตามหลักธรรมชาติให้ถูกต้องเหมาะสมไม่มีใครแทรกแซงแล้วต้องว่านิพพานน่ะถึงจะเหมาะสมดีเราพระพุทธเจ้าสมัคมากสี่ผลสีล่นิพพานการปฏิบัติศาสนาคือปฏิ บ, ตอบอัติต่อจิตใจเราเอง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 ไม่มีอะไรที่จะมากระทบกระเทือนต่อจิตใจนี้เลยรูปก็รูปเวทสัญญาเอารูปเสียงดินวัตเกินสัพพัก็เช่นเดียวกันต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ว่ามีก็มีไม่ว่ามีก็มีปัญหาอะไรมีเศรษกิจจะต้องขัญขั้นสห์มีขนาดต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงถึงการที่มันจะสลายก็สลายไปแล้วในทิ่จรนาแล้วอันิจนทุกข์น่ตามไม่ได้หมายถึงขันที่เรารับผิดชอบนี้จะหมายถึงอะไรอันนี้จางก็คือความแปรสภาพ